ท่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณีทั้งหลา ย, ลา เ, เ, ลายเวลานี้ก็ปรากฏว่ายัางยถึงเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นฟังพระสูตรภายในคือว่าเป็นเพื่อนก่อนนอนการฟังบรรดาท่านำหลายฟังเรื่องก็เพื่อเพลินนอกจากนั้นในท้องเรื่องก็มีธรรมะไปในตัวเสร็จ ถ้าตอนท้ายถ้าโอกาสมีก็จะสรุปธรรมะนิดหน่อยในเวลาที่ท่านทั้งหลายฟังท่านจะนั่งท่านจะเดินท่านจะยืนท่านจะนอนก็ได้ท่านนอนถ้าบ่าเอินฟังแล้วก็หลับก็ดีใหญ่ถ้าฟังไม่ทันจบมีความเพลิดเปลินจิตรวบรวมจิตรวบรวมตัวเข้ามาเมื่อจิตละเอียดถึงฌานก็ตัดหลับทันที ถ้าได้หลับใจการอย่างนี้ถือว่าเวลาหลับทรงชานนั้นทรงชนนั้นตลอดเวลาก็มีประโยชน์ใหญ่เป็นนะว่าฟังเรื่องกันต่อไปเป็นเพื่อนก่อนนอนและก่อนหลับเรื่องราวในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเมืองพารานาสีตามเดิมเพราะไหนๆจะพูดกันมาที่เรื่องพารานาสีเรื่องติดต่อกันคือเป็นเรื่องของพระเจ้าประเสรฐในที่กุศลองเดียวกัน หลังจากเมื่อพระ น, นางมริกาต้องตายจากความเป็นคนเขาเรียกในภาษาบาลีท่านว่าจุติเพื่อกาลังกาตะวาถึงกาละที่ต้องไป <c oughs> ข้ามาตายในที่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ก็มีข่าวหนาหูว่าตายแล้วไม่เกิดสวรรค์นรกไม่มี ในวันที่เข้าประชุมพุทธสมาคมที่วัดท่าสูงเมื่อเดือนธันวาคม2526ก็มีท่านหนึ่งมานั่งคุยกันท่านบอกว่าเดิมทีเดียวท่านเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีแต่ว่ามาในตอนนี้ท่านพบคณาจารย์ที่มีความสำคัญท่านยืนยันว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มี ท่านก็เลยบอกว่าผมก็เลยเข้าใจว่าไม่มีแน่แต่เวลานี้ก็ยังฝังใจอยู่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเสียงชันนี้มีหนาหูมากบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นถือว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นก็แต่ละบุคคลเราก็ไม่ตําหนิกันเพราะการตําหนิกันไม่ได้เพราะกฎขุ้นกรรมมีอยู่ขนาดใดที่กรรมที่เป็นกุศลให้ผล ขณะนั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอถ้าขนะใดถ้ากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลครอบงําจิตแล้วก็มีความเห็นผิดตลอดเวลานเรื่องก็แต่ระบบคลถ้าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีคติไม่เสมอกันก็องงดไว้เรื่องธรรมะเราเล่าเรื่องกันต่อไปว่าพระเจ้าประสิทธิโกศ เมื่อพระนางมาริกาเทวีที่วงคตแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าจะทำความสนิทสนมกับองค์สมเด็จพระประทีแก้วคือพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นจึงได้ไปขอหญิงคนหนึ่งในกรุงรบินพัทซึ่งเป็นพญาติาพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้นี้มีนามว่าพระนางรูปนันธา ความอรูบรรธาก็มีรูปที่บันเทิงใครเห็นนี่ก็สดชื่นแสดงถึงความสวยงามท่านต้องเป็นคนสวยและมีจริยาน่ารักก็เป็นลูกเจ้าสมัยนั้นเจ้าถึงถือตัวว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสูงสุดต้องมีการประพฤติปฏิบัติดีมีการสงบเพิงเยี่ยมเตรียมตัวให้สมเป็นกุลสตรี เมื่อไปขอพระนางรูปนธามารูปนันธามาแล้วในเวลาใดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วสเสด็จเมืองพาราณสีพระนานรูปนันธาก็ไม่ยอมไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่ยอมไปเฝ้าไม่ยอมไปพบพระพุทธเจ้าเพราะว่านางมีความเข้าใจตามข่าวที่ชาวบ้านเขาพูดว่าพระเจ้าพี่นิติในรูปสวย คือนั่นหมายความว่าไม่ชอบคนสวยชอบติรูปว่ารูปนี้มันไม่ดีรูปมีสภาพสกปรกมีโสโครกอย่างในกายคตาโนสติกรรมฐานว่าร่างกายประกอบด้วยการสามที่สองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นแล้วก็เป็นอสุปกรรมฐานในการสารที่สองของคนก็ดีของสัตว์ก็ดี ไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกข้างในเต็มไปด้วยน้าเลือดน้าเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นที่คนเรารังเกียดในความสกปรกภายในก็ซึมออกมาข้างนอกเป็นเหือเป็นใครเราก็รังเกลียดผมที่ว่างามก็งามไม่จริงถ้าไม่สะไม่สางประเดี๋ยวก็เหม็น ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงติรูปอย่างนี้พ น, นางเข้าใจผิดคือความจริงองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรพูดตามความเป็นจริงตรัสตามความเป็นจริงเังนั้นยอดหญิงดูบันทาจึงไม่ยอมไปฝ้าพระพุทธเจ้าและไม่ยอมไปฟังเทศเพราะข่าวเล่าลือว่าพระเจ้าพี่นี่ชอบติรูปติความสวยงาม ในครั้งหนึ่งเมื่อพระสมเด็จพระสัมม า, าวุตติเจ้าท่งสเสด็จไปพระเจ้าปฏินัสเสนธิโกศลก็ส่งชวนพระนางรูปนันธาให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระราชวิทยานพระพุทธเจ้าพักในนั้นพระนางรูปนันธาก็ไม่ยอมไปพระเจ้าประเสนธิโกศลอยู่ในหาวบายหวังจพระนางรูปนันธาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังเทศ ฟังความสนิทสนมจึงให้นักแต่งกลอนแต่งบทกลอนบทหนึ่งพันนาความสวยสดงดงามของพระราชอุทยานจัดว่าจัดให้เป็นคำาเป็นคขับร้องและมน n ด a ให้หญิงทั้งหลายที่ปฏิบัติพนางรูปนันธาอยู่ขับร้อมกล่องพนางรูปนันธาทุกวัน ให้ร้องบทประพันธ์ที่เขประพันธ์ความงามของพระราชวิญาณในเวลาที่พระพุทธเจ้าสมเด็จมาพระรหันต์มาก็ดีพระราชวิญา น, นี้แต่งสวยสดงามเหมือนกับสวนสวรรค์จะเทียบกันได้กบเหมือนัสวนของพระนางรูปนันธาในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกเป็นอันว่า สวนอันทวันนะที่สวนตาวดึงสเปวโลกพนนางรูปนันทาฟังทุกวันพวกขับพวกร้องก็ขับให้ฟังทุกวันชักแปลกใจยังไดสามมันดาสาวทั้งหลายเ่านั้นว่าสวนที่เธอบรรยายมาเนี่ยในคำร้องอยากจะทราบว่าเป็นสวนที่ไหน บรรดาหญิงท่านหลายก็กราบทูลว่าสวนที่กล่าวนี้ที่บรรณาความงามนี้ก็คือเป็นพระราชวิญาณของพระเจ้าแม่นั่นเองคืออยู่ในพระราชฐานนี้ที่องค์สมเด็จพระมหามณีทรงประทับและรายกฏว่าพระราชาทรงจัดสร้างความสวยสดงงามเป็นกรณีพิเศษเมื่อสวนสวรอผั อุกคนใดเดินเข้าไปในเขตนั้นอดที่จะหลงความงามไม่ได้เป็นนั้นว่าพระนางรูปนันทาเป็นคนสวยเมื่อเขาวรรณาเรื่องความสวยสดงดงามของของพระราชอุทยานคือสวนก็อยากจะไปชมสวนแต่ถ้าว่าการไปชมสวนก็ต้องไปเจระพระพุทธเจ้าที่นั่นไอ้ความต้องการมันมีขึ้นมาก ในคืนวันหนึ่งยังกราบทูลพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลพระราชาสวามีทราบว่าพรุ่งนี้อยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะบอกว่าไปชมศนชเฉย ก, ก็เกรงว่าพระราชาสวามีจะทำหนิ้พระเจ้าประเสริฐในที่กุศล์ไม่คว้าทราบความต้องการก็ดีใจมากเ ในตอนรุ่งขึ้นเช้ายังจัดสั่งกระบวนกองเกียรติยศเป็นกรณีพิเศษเต็มอัตราการสนเดชของพระราชาเพื่อพระนางรูปนันทาเมื่อกองเกียรติยศเสร็จถึงเวลาพระนางรูปนันทาก็สเสด็จพร้อมกับพระเจ้าประสิอธิโกศลเมื่อไปถึงพระราชวิทยานปรากฏว่าเวลานั้นคนเต็ม พระกรมมากคนกมมากฟังเทพเจองค์สมเด็จพระพูฒมีพระภาคเจ้าดูเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคุณจะทราบการบรรลุมรรคผลของนางรูปรนันทายอยู่ก่อนเรื่องนี้ย่อมตกอยู่ในข่ายในข่ายพระยานขององค์สมเด็จพระชินนวรสเป็นปกติในเวลาเช้ามดืดเมื่อทราบว่าพระน้องนางจ ะ, สะเสด็จในการสเสด็จมาของพระน้องนาง ก็ต้องการจะชมความงามของสวนแต่เมื่อมาแล้วโดยบัญญาติก็ต้องนั่งฟังเทศแต่ถ้าไม่เทศก่อนเธออาจจะถือโอกาสมาคุยสองสามคำแล้วก็ลาไปชมสวนก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรนี่ทรงนั่งเทศเก่อนก่อนที่บรรนางจ ะ, สะเสด็จไปถึง เมื่อพ น, นางกับพระเจ้าประเสริฐนาถโกศลไปถึงคนก็นั่งเต็มด้วยมัญญาติจริยานดีงามของพ น, นางและพระเจ้าประ เ, ระเสริฐนโกศลท่านเสด็จไปในคราวนั้นถือว่าเสด็จไปในฐานะของทายกทายกาเท่านั้นไม่ใช่เสด็จไปพ่อพระเจ้าในฐานะของกษัตริย์เพระเาะใครใครจะต้องลุกให้พระองค์เข้าไปลีกเข้าไปไม่ใช่อย่างนั้น เมื่อคนที่เฝ้าองค์สมเด็จประสัมมาพระพุทธเจ้าอยู่ก่อนแล้วนะเขาจะไม่ลกต้านลำเบียบเราถือว่าพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าพระราชาพระราชาก็ส่งเคารพไปพระพุทธเจ้านั้นท่านยังนำมาพระนางรูปรัญทานนั่งท้ายบริษัทคํำว่าท้ายบริษัทก็หมายถึงว่านั่งอยู่ข้างหลังเขานั่งอยู่แล้วก็นั่งต่อมา เวลานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> จึงได้ทรงรมิตรหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีความสาวอายุน้อยกว่าพระนางรูปนันธาแล้วก็มีความสวยสดงดงามกว่าพระนางรูปนันธามากยืนถวายงานพัดคือพระพุทธเจ้าเทศนางก็นั่งพัดนึกยืนพัดอยูใ่ใกล้ น, นางรูปนันทามองไปก็แปลกใจว่าตามข่าวที่ชาวบ้านเขาเล่าเลือกันว่าพระเจ้าพี่ย่อมติในรูปติในความสวยสดงดงามของคนรวมความว่าไม่ชอบใจคนที่มีรูปสวยแต่ทำไมหญิงสาวคนนี้สาวกว่าเราและก็สวยกว่าเรา ยืนถวายงานพระคือโบอกพระตัใจองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมตุจ้าคือพระเจ้าพี่ได้ก็สนแสดงว่าข่าวเล่าลือนี่ไม่เป็นความจริงเ <c oughs> <c oughs> มื่อความดังลิทธอย่างนี้เกิดขึ้นทําให้เจ้าหญิงผู้เธอโสมคลายมานะทิฐิลงคลายความไม่พอใจลงที่เขาถือว่ารือว่าพระเจ้าพี่เป็นอย่างนั้นความจริงไม่ใช่ เนื้อแท้จริงๆหญิงคนนี้สวยกว่าเราท่านก็ไม่รังเกียจเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพรนนองนางคลายมานะทิฐิแบบนี้แล้วองค์สมเด็จพระปฏิบแก้วเมลาจะเทศกขพร น, นาที่ร่างกายของคนเพราะร่างกายของคนเน่ยเปลี่นนิจังหาความเที่ยงไม่ได้เกิดจากมาใหม่ๆเป็นเด็กแล้วก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว หลังจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมูลบิดูบุ์แล้วเต็มอัตราร่างกายก็ค่อยๆร่วงโรยลงตอนนี้ปรากฏว่าภาพคู่หญิงสาวคนนั้นก็ร่วงโรยล ง, ลงค่อยๆเศ้าหมองลงทีละน้อยๆตามกระแสพระสัทธรรมทีสนะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงจะเทศต่อไป เมื่อลงล่วงโรยที่น้อยน้อ ย, อยถึงวัยกลางคนความสวยสดงงามก็สลายตัวไปเมื่อได้ความเศร้าหมองหญิงก็นั้นก็กลายเป็นหญิงกลางคนต่อไปองค์สมเด็จพระเทพตนก็กล่าวว่าจากวัยกลางคนก็เริ่มเป็นคนแก่ผมสแสดงการก่อนนั่นคือผมจากดำสนิทเริ่มค่อยๆ่อขาวบางเส้น หญิงนั่นก็มีภาพปีกันตอที่สุดก็ขาวทั้งหมดเป็นดอกเลาแก่มากหญิงคนนั่นก็ผมขาวพโพลนหมดต่อไปหนังก็เหี่ยวหน้าก็หย่นหลังก็ค้อมเอาอะไรดีไม่ได้หญิงคนนั้น อ, อะไรแก่ไปตามนั้นถ้านนางลูกนันธาดูไปก็แปลกใจว่าหญิงคนนี้ม า, มาใหม่ๆเธอสาวกว่าเราและก็สวยกว่าเรา เวลานี้กลายเป็นคนแก่ความสวยย่อมสลายตัวคนแก่หาความสวยไม่ได้ <c oughs> เลยเลยมาทึกถึงร่างนึกถึงร่างกายของผู้นางบ้างเมื่อหญิงคนนี้อายุน้อยกว่าเราวัยเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ร่างกายของเรานี้ก็มีสภาพเหมือนเธอต่อไปเบื้องหน้าเราก็ต้องแก่เช่นนี้เหมือนกันถ้าท่านสวยจะลืมแก่ หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพุทธกวันเห็นว่าจิตขขาว่าน้องหญิงคลายมานะคลายติดในรูปโฉมรู้สึกตัวยาสุดโฉมตามนั้นตามกฎธรรมดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเทศว่าต่อไปจากความแก่ก็คือความตายเมื่อพูดถึงความตายหญิงเขานั่งล้มพึงมาตายสนิทอันนั้นเห็นก็แปลกใจอที่มันยังไง เมกี้ยังเป็นสาวยังดีอยู่ตอนนี้ไปแก่แก่แล้วก็ตายตายแล้วหมดสิ้นลมปราณหลังจากนั้นองค์สมิตรพจิตามันก็ตัดว่าเมื่อตายแล้ว <c oughs> ร่างกายว่าคลายความทรงตัวธาตุลมหมดไปธาตุไฟดับแถ้าธาตุน้ำก็ธาตุดินดินก็สู้น้ำไม่ได้น้ําละลายดินความเปิดน่าก็ปรากฏ หญิงคนนั้นก็ขึ้นเอิดมีความเปื่อยน่าปลายกดทำเหลืองไหลพ่นานางดูแล้วตกใจว่เออร่างกายของคนเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วองค์สมเด็จพระพักตรวันก็ตัดว่าหลังจะนั่นน้ําแห้งไปมีแต่เหลือแต่หนั ง, หงกระดูกภาพหญิงนั้นก็เป็นอย่างนั้นต่อไปหนังหายไปเหลือแต่กระดูกหญิงก็ได้เหลือแต่โครงกระดูกต่อไปโครงกระดูกที่เกาะกันก็หลุดจากกันเป็นท่อนเป็นตอ น, น, อนก็หลุดอีก แล้วต่อไปกระดูกทั้งหลายก็แต่งละเอียดเลี่ยนลายจมดินจําสายไปปนางรูปนันธาพิจารณาตามกระแสพระสัทธมทิสนาถ้าดูภาพของหญิงนั้นมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี้เป็นอนิจจงมันหาความเที่ยงแท้นแน่นอนไม่ได้เมื่อทรงสภาพอยู่ความแก่คืบคลามคข้ามามันก็เป็นทุกข์ ร่างกายไม่กระปรี้กระเปร่าเหมือนเดิมทําทุกอย่างก็ยากกําลังก็น้อยหูก็ฝ้าตาก็ฟังและในที่สุดถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดกับเราเราก็มีแต่ความทุกข์ตัวทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความป่วยมันก็เกิดขึ้นในที่สุดสภาพชีวิตพวกเรานี้ก็จะตายไม่หญิงคนนั้นฉะนั้นการทรงชีวิตนี่ไม่ใช่ของดี การเกิดมาเป็นคนคิดว่าเป็นของดีแต่ความจริงไม่ใช่มันไม่ใช่ของดีมันกลายเป็นปัจจัยหาความทุกข์พระนางพิจารณาตามนี้แล้วจิตก็กพ้นจากอสวะโดยคิดว่าการเกิดเป็นของไม่ดีแน่ทางที่ดีก็ตามกระแสวสัฏธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปตอนท้ายว่าคนถ้าเรายาวเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะก็เอาแน่นอนไม่ได้ ชาตินี้เป็นคนชาติหน้าอาจจะเป็นเทวดาหรือผรมก็ได้ถ้าจิตดีจิตสะอาด จ, จากกิเลสอารมณ์ผ่องใสน้อมอยู่ในกุศลอยู่เสมอแต่กํากลังใจของคนน้อมไปในอกุศลอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเป็ดเป็นสุตกายเป็นสตนสิถันก็ได้ถ้า ม, มาเป็นคนอาจจะเป็นคนชั้นเหลวมีความลําบากมากกว่าเวลานี้ก็ได้ จุดหมายปลายทางที่มีความสุขจริงนั่นคือนิพพานพระองค์สมเด็จพรจิตตมานตัดอย่างนี้พระ น, นางบุบันทนาก็มีความจิตปรารถนาอยากจะได้นิพพานกําลังใจัยเวลานั้นตัดความพอใจในร่างกายเด็ดขาดองค์สมเด็จพระบรมโล ก, กนาจาศงทราบว่าเวลานี้พ น, นงังบุบันทาเป็นพระสารแล้วสมเด็จพระบพ ธ, ธีแก้วก็ใจการโมทนา คือโมทนาคมไปทุกคนทุกคนก็มีความชื่นใจพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสเด า, ศาศเทศจบชาวบ้านก็ลากลับกราบถวายบังคมลาลากลับ <c oughs> พระก็กลับเข้าที่ชาวบ้านก็กลับบ้านแต่พระนานรูบนันธานี้นั่งเฉย ไม่กลับบ้านไม่กลับไปชนพระราชากลับพระราชฐานกลับเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระพิชิตมารถวายบังคมแล้วก็นั่งนิ่งอยู่พระราชาคือพระเจ้าปะเสริในที่กุศลจึงเตือนสมเด็จพระนางคือพระโชมตรูว่าเวลานี้คนเข้าไปหมดแล้วขอน้องแก้วกลับพระราชนิเวศเถอด พระนันพระนางรูปันธายกนิ่งแล้วก็นมองหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดิกาแต่ข้าพระเจ้าพระเจ้าเผยนาทิโกสนว่ามหาราชขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชารย์สมภารเวลานี้พระนางรูปันธาเป็นพระอรหันต์เส่นแล้วถ้าพระองค์อยากจะทราบว่าพระองค์ต้องการให้บรรนางรูปันทานิพพานวันนี้ หรจะได้ทรงมีชีวิตต่อไปถ้าต้องการให้ดิพานวันนี้ก็ให้บรรนางรูปนันทากลับพระราชินิเวศยังไงยังไงก็ต้องนิพานวันนี้แน่แต่หากว่าต้องการให้บรรนางรูปนันทามีชีวิตต่อไปแต่ต้องอยู่กันอย่างพระกับคนคือบรรนางรูปนันทาจะต้องบวชเป็นพระคือเป็นพิษุนีจึงจะมีชีวิตจยูได้ต่อไป พระเจ้าประเส้นที่กษอเสริมก็ตัดสินบัไทยว่าการที่บรรนานรูปนันธาต้องนิพพานวันนี้ใจเราจะหายมากว่าเวเกินไปถ้าอยู่อย่างเป็นพระคือเป็นนางวิสุณีฐานะอันเกี่ยวข้องในฐานะสามีพัญญาจะขาดตอนก็ตามทีแต่ถือว่าก็ยังเห็นหน้ากันความสดชื่นความชื่นใจยังมีอยู่ แค่นั้นพระเจ้าประเสนทิโกสนีิกราบทูลองค์สมเด็จพระบรมครูว่าขอให้บรรนางรูปนันธามีชีวิตต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าข้ า, ขาพระพุทธเจ้าขออนิญาตให้บรรนางรูป น, น, นันธาบวชพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงปีพระวาจาตัดว่าเอหิพิกุซึ่งแปลว่าเจ้าจงเป็นพิกุมาเถิดเท่านี้ ผ้าไตรจีวรที่สําเร็จไปโดยฤทธ์ก็ลอยลงมาสวมกายข้ามนาลูปนันธาโดยไม่ต้องหม่มไม่ต้องหนสวมเลยสําเร็จโดยฤทธ์ผมที่ยาวก็เลี่ยนเตียนเป็นผมโกนเป็นเว่าพระนางได้เปรียบพระราห์จบกิจพระพุทธศาสนาจัดว่ามีบุญพิเศษเห็นว่าเรื่องนี้จบตอนนี้แต่ความจริงเรื่องราวของพระเจ้าประเทิงในที่โกศธไม่มีมาก แเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันจึงมันเล่าสู่กันฟังให้เป็นตอนเดียวกันเสียหมายความเป็นตับกันมาคือเรื่องราวของพระเจ้าประสณทธิ์นิธโกศลแต่ว่าหน่าคิดที่พระเจ้าประสณทธิ์นิธโกศลช่วยคนให้เขาเป็นพระารานได้ตั้งเยอะแต่ว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้เป็นพระารานพระโสดาบันก็ไม่ได้เป็น อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะสงสัยที่เป็นอย่างนี้เพราะโอองค์สมเด็จพระจอมไตรทรสงตรัสว่าพระเจ้าประเสณิฐทธิโกศนั้ปรารถนาพระโพธิญาณคือต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นสาวกไ ข, ขไม่ได้ขบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายโปรดทรา จะเจอพระพุทธเจ้าสักกี่องค์ก็ตามท่านผู้นั้นจะไม่มีโอกาสได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าโสดาบันเป็นไม่ได้พเพื่องูขึ้นไปก็เป็นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะท่านที่ปรารถนาพระโพธิญาณ น, นั้นก็จะต้องเป็นพระอาหารหันต์ต่อเมื่อบรรลุอวิเศษสมาสัมพทธิญาณคือสมัยที่ท่านอยจะเป็นพพุทธเจ้านั่นเอง เรื่องนี้ก็สแสดงให้ทราบว่ามีจุดจุดหนึ่ง <c oughs> ที่เขาเล่าลือกันว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์มันก็ไม่จริงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระิพานในความจริงไม่ใช่มีสภาพศูนย์แล้วก็จะมีพระสูตรสูตรหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันหน้าจะปรากฏภาวะพรนิพพานพระนิพพานเนี่ย มีแดนอีกแดนหนึ่งทางหากที่ยังไม่ทราบว่าจะใช้ศัพท์อะไรมันถูกต้องอยากจะใช้ศัพท์ลองไ้ก่อนว่าเป็นแดนทิพย์พิเศษคือทิพย์จากพรมก็ดีทิพย์จากเทวดาก็ดีจะมีการเคลื่อนไปไม่ทรงตัวตลอดกาลตลอดสมัยแต่ทิพย์ของวัตถุานเนี่ยทรงทรงตัวตลอดกาลตลอดสมัยมีแต่ความสุข อันนี้จะมีในพระสูตรในพระธรรมบทกุฏนัยกายภาคหกแต่ความจริงมีมาในที่หลายแหง่งเวลานี้เล่าเรื่องราวของภาคหกบ้างภาคหนึ่งบ้างภาคอื่นบ้างประสมผสานกันเป็นเรื่องราวของพระเจ้าประเสริฐที่กศลโดยเฉพาะใบองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาเวลาใกล้จะหมดนั่ขอบรรดาสาวก โ, โ อ, อง่งสมเด็จพระบรมโยคศ ที่เป็นสระก็ดีที่เป็นเลงก็ดี อ, อุบาสกอุบาสิกายก็ดีศึกษาการปฏิบัติทำดีพอสมควรแล้วเพื่อทำใดที่องค์สมเด็จพระบัณีิแปว่ให้นั่นคือความเป็นทิพย์ของจิตและมนโนมิจฉิท่านทําได้แล้วหมดความสงสัยตัดสินใจปฏิบัติตามคําองค์องค์งสมเด็จพระจอมไตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดอารมณ์ของปโสดาบันไปจําใจไว้เสมอ นั่งคืนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายเทวการในสองไม่สงสัยความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์มีความมั่นใจในพระองค์เชื่อถือเคารพเทวการในสามทรงสินตามฐา น, นะให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเทวการในสี่มีตัดสินใจไาเสมอว่าชีวิตนี้เราไม่ต้องการอีก มนุสสโลกที่วโลกเรามันต้องการจุดต้องการมีจุดเดียวคือนิพพานอรบบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดมากไปได้เทปจะหมดของพุทธบริษทเพียงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุนผลจงมีแดดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี